เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนข้อที่เข้ากล้าจะออกรวงได้อ น, นะปกติข้าวกล้าพันธุ์ดีทั่วไปเนี่ยประมาณ3มเดือนสี่เดือนหรือห้าเดือ น, ออนจึงจะออกรวงได้ถ้ายังไม่ถึงกาละ น, น, นั้นแล้วบุคคลจะปรารถนาวันละแสนครั้งทุกๆวันตื่นเช้ามารดน้ําวันละแสนครั้งอ่า น, นะบอกขอให้มันออกรวงภายในหนึ่งปักก็คือภายใน15วันสาธุ ขอให้เข้าออกรวงอีก15วันจะเกี่ยวแล้วก็รดน้ำไปสาทุกขอให้อีก15้าวันเข้าออกรวงแล้วจะเกี่ยวแล้วรดน้ำไปอีกมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกภายใน15วันหรือภายในเดือนหนึ่งคือคือสายพันธ์อันนี้มันต้อง3มเดือนจึงจะออกผล4เดือนมันจึงจะออกผล5เดือนจึงจะออกผลแล้วแต่สายพันธ์ะนะทำไปให้เร็วกว่ากำหนดอันนั้นเค้นไม่ได้อย่างนั้นหรอก เพราะเหตุไรเพราะข้าวกล้ายัางไม่ตั้งท้องยังไม่ถึงความภัยบูนยังไม่ถึงความแก่รอบชื่อฉันใดข้อที่บุคคลให้ทานเช่นกับด้วยทานของพระเวสสันดรทุกๆวันก็ดีสั่งสมธรรมมีศีลเป็นต้นอันสมควรแก่ญาณนะนั้นก็ดีถ้ายังไม่ครบสี่อสงขขยแสนกับแล้วจกเป็นพระพุทธเจ้าในระวงนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ไมราไรเพราะยานยังไม่ตั้งท้องยังไม่ถึงความแก่รอบยังไม่ถึงความภัยบุญยังไม่ถึงความแก่รอบฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทำการบำเพ็ญบารมีตลอดการตามที่กล่าวแล้วทิศนั่นเทียวหมายาอจะต้องใช้เวลาตลอดระยะเวลายาวตลอดสี่อสงไขยแสนกับเพื่อประโยชน์แก่การแก่รอบแห่งยาเขาเรียกว่าบ่มโพธิญาณน่ยนะ โพธิญาณเนี่ยต้องได้รับการบ่มบ่มใช้เวลาบ่มสี่สงไข่แสนกลับเนี่ยนะใครที่บอกโอ๊ยเรียกว่าต้องอบต้องนึ่งนานขนาดนี้เนี่ยเอาแล้วนะไม่ทานแล้วหายหิวแล้วลว่างั้นเราอบอะไรนานขนาดนั้นอยู่แบบแห้งแรงไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรดีกว่านะเอา้วก็อยู่มาถึงทุกวันเราก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาอะไรมาเลยถ้าตั้งความปรารถนานะไม่ใช่อย่างงี้หรอกมันลุกเป็นนานแล้วแม่อย่าเพิ่งดูถูกคนเพิ่งเริ่มต้นนะว่างั้นนะ ไม่ดูถูกหรอกดูถูกมันดีแล้วนะขอให้เริ่มต้นปฏิบัติเธออีกสี่อสงไขยอีกส6อสงไขยจะไปไหนใช่ไหมก็ขอให้ได้ตรัสรู้อะไรนะ ค, คือสรุปว่าขอให้เนบรรลุใช้ได้แล้วเมื่อไรก็เอาสรุปเมื่อบุคคลตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโดยเวลาประมาณเท่านี้คือใช้เวลาอย่างนี้ก็จริงแต่ต้องปรารถนาสมบัติแตประการในการสร้างอภินิหาร ที่แรกเนี่ยนะไอ้คำว่าปรารถนากับอภินิหารเนี่ยมันแปลงกันคำว่าปรารถนาก็คือปรารถนาให้ตัวเองมีธรรมะสมโมธานแปดประการเมื่อมีธรรมะสโมโทธานครบแปดประการแล้วการตั้งความปรารถนาที่เรียกว่าอภินิหารเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะสำเร็จพึงตั้งความปรารถนาให้ได้สมบัติแ ป, ประการอะไรบ้าง อภินิหารย่อมสำเร็จหรือการตั้งความปรารถนาสำเร็จเพราะมีการประชุมธรรมะ8 ป, ประการมนุษยตังลิงคสัมปติเหตุสัทธารัตฐานประประชาคุณสัมปติอธิการโรจันตตาตาเนี่ยนะแปประการมีอะไรบ้างหนึ่งความเป็นมนุษย์สองถึงพร้อมด้วยเพศสมมีเหตุสี่เห็นพระศาสดาห้าการบรรพชา6กถึงพร้อมด้วยคุณ7อธิการ8ปฉันทะความพอใจ อภินิหารในที่นี้เนี่ยนะที่แรกให้ปรารถนาคุณธรรมแปดประการก่อนเมื่อมีคุณธรรมแปดประการแล้วอภินิหารคือมูลปณิธานที่เรียกว่าพุทโทธโพเทยังมุตโตโมเอยังตินโนตารยังไปต้นเนี่ยนะพวกที่ว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยนั่นเรียกว่าอภินิหารคือมูลปณิธานการตั้งใจอย่างอย่างแรงกล้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้า แต่ที่สําคัญมากต้องประชุมให้ได้องค์ประขอบเรียกว่ามีองค์ประชุมก่อนนะถ้าประชุมไม่สําเร็จนี่ปราถนาก็ปรารถนาไปเถอยังไม่ได้แน่นอนว่าจะสําเร็จหรือไม่องค์ประชมแปดประการมีอะไรบ้างทัวในครั้งหนึ่งความเป็นมนุษย์คือมนุษยชาติหมายคำว่าปฏิสนธิโดยกําเนิดมนุษย์ไม่ใช่อบายไม่ใช่เทวดาเป็นต้น น, นะนะคือว่านอกจากมนุษยชาติคือเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย ปณิธานความปรารถนาของบุคคลผู้ดำรงอยู่ในชาติที่เหลือทั้งหลายแม้เป็นชาติเทวดาก็ตามย่อมสําเร็จไม่ได้เพราะบุคคลที่ดำรงอยู่ในมนุษยชาตินั้นเมื่อปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าทําบุญกรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นแล้วพึงตั้งความปรารถนาเป็นมนุษย์เท่านั้นผู้ดำรงอยู่ในมนุษยชาติเท่านั้นพึงตั้งปณิธานาว่าด้วยอภินิหารตั้งความปรารถนาแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าจึงสำเร็จ ถ้าอยู่ในฐ า, านะอื่นเช่นอยู่ในอาบายอยู่ในเทวดาพระมโลกปรารถนาให้ได้ข้อแรกก่อนขอให้ได้เป็นมนุษย์ก็ต่อไปขอให้ได้เพศบริสุทธิ์อันนี้เพศบริสุทธิ์สําหรับผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะคือถึงพร้อมด้วยเพศได้แก่ความเป็นบุรุษเพศก็อบอกว่าเพราะอะไรเพราะความปรารถนาของสตรีกระเทยอุปโตพยัญชนก ค, คือคนสองเพศแม้จะดํารงอยู่ในมนุ ษ, ษยชาติก็สําเร็จไม่ได้ ด้วยว่าบุคคลผู้ดำรงอยู่ในมนุษยชาตินั้นเมื่อความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพึงทาบุญทั้งหลายมีการให้ทานเป็นต้นตั้งความปรารถนาเป็นบุรุษผู้ดำรงอยู่ในความเป็นบุรุษเท่านั้นพึงตั้งปณิธานตั้งความปรารถนาะอภินิหารย่อมสาเร็จด้วยประการชนิดนะปรารถนาได้มาเป็นมนุษย์อีกแล้วั้งขอใหม่นะขอให้เป็นชายต่อข้อสา ถ้าเป็นผู้ชายแล้วมันจะจะ ง, ง่ายอีกนะต้องมีเหตุเหตุคืออะไรชาตินั้นต้องมีอุปนิสัยแห่งอรหั ต, ตผลหมายคาอว่าชาตินั้นบรรลุเป็นผ้าอรหันได้ถ้าปรารถนาถ้าปรารถนาเนี่ยจะเป็นผ้าอรหันภายในไม่กี่นาทีว่างั้นก็บุคคลใดพยายามอยู่ในอัตภาพนั้นสมควรเพื่อบรรลุอรหัตได้อภินิหารย่อมสําเร็จแก่บุคคล น, นั้นหาสำเร็จแก่บุคคลนอกนี้ไม่ เหมือนสําเร็จแก่สุเมศบัณฑิตฉะนั้นด้วยว่าสุเมศบัณฑิตนั้นบวชที่แทบเท้าพระพุทธเจ้านามทีปังกรได้เป็นผู้สามารถเพื่อบรรุกพระอรหันตในอัตภาพนั้นได้ถ้าพระสุเมศบัณฑิตปรารถนาหรือประสงค์ท่านจะบรรลุแทบเท้าพระพุทธเจ้ า, าทีปังกรเลย น, นะถ้าปรารถนานะแต่ว่าท่านไม่ปรารถนาต้องมีเหตุแบบนั้นอนะ่ะต้องมีเหตุคล้ายสุเมศบัณฑิต เพราถ้าเหมือนอะไรจะไปเหมือนหมดนะคล้ายได้นีเป็นผู้มีเหตุจะต้องมีการสัตรทัศน์ังเห็นพระศาสดาได้แก่การเห็นเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยว่าพินิหารมูลปณิธานเนี่ยนะย่อมสําเร็จด้วยประการชนีหาสําเร็จด้วยประการอื่นไม่เหมือนสําเร็จแก่สุเมธบัณฑิตฉะนั้นเพราะสุเมธบัณฑิตนั้นเห็นพระพุทธเจ้านามทธีปังกรเฉพาะพระพักแล้วได้ตั้งความปรารถนา ต้องตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระพุทธเจ้านะเงือนไขยเยอะเหลือเกินนะอยากอย่างเดียวไม่สําเร็จจริงๆมันต้องมีองค์ประกอบนะมีสิทธอยากแต่ว่าสําเร็จมันต้องมีองค์ประกอบเหมืนั้นต่อไปบปรรพชาการบวชเนี่ยนะก็คือต้องเป็นอนาคาริกต้องเป็นอนาคาริกต้องเป็นผู้ไม่ครองเรือนถ้ามีคําถามว่าทําไมจึงต้องไม่ครองเรือนเพราะว่า ตอนตั้งความปรารถนากับตอนเป็นพระพุทธเจ้ามันจะต้องเพศเดียวกันนะพันความปรารถนาของอนาคาริกคือนักบวชย่อมจะบวชในศาสนาพระพุทธเจ้าหรือในนิกายของดาบทปริภาชกก็ตามแต่ต้องเป็นกรรมวาทีและกิริยาวาทีเชื่อกรรำและเชื่อความเพียรนะเชื่อกรรมและเชื่อกา ร, รกระทําเหมือนสุเมศบัณฑิตฉะนั้นด้วยว่าสุเมศบัณฑิตนั้นเป็นดาบทอนะสุเมศดาบทเนี่ยนะตั้งปณิธาน ต่อไปต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรมถึงพร้อมแห่งคุณการได้คุณธรรมมีฌานฌานสมาบัติ8อภิญญาหอธิบายว่าอภินิหารย่อมสําเร็จแก่บุคคลผู้บวชแล้วถึงพร้อมด้วยคุณธรรมคืออภิญยาหสมาบัติ8ไม่สําเร็จนอกแก่บุคคลนอกนี้สําเร็จแก่สุเมธบัณฑิตฉะนั้นคือคนที่มีคุณธรรมที่เรียกว่าอภิญญาหสมาบัติ8จึงจะสําเร็จเพราะ อย่างเช่นสุมเมศบรรดิตที่ท่านได้สําเร็จเพราะท่านมีอภิญญาห้าสมาบัติ8ดแล้วอภิน ญ, ญาห้าสมาบัติ8ดถ้าทําโก้เนี่ยนะเดินแหมเดินแบบอะไรนะไม่ก้มหัวให้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นะต้องมีอธิการด้วยอธิการคืออะไรอธิแปลว่ายิ่งการะแปลว่าการกระทําต้องทําอย่างยิ่งทํายิ่งทํำยังไงมหาบริจากเหมาอนกันต้องมาหาบริจาคบริจาคอะไร บริจาคชีวิตเป็นต้นเป็นพุทธบูชาจริงอยู่อภินิหารย่อมสำเร็จแก่บุคคลผู้ทําการกนนบริจาควัตถุ ม, มีชีวิตเป็นต้นต้องสละชีวิตเป็นพุทธบูชาแล้วตัง้งปณิธานเอาไว้เท่านั้นถ้าหากว่าไม่สละชีวิตเป็นพุทธบูช า, า, มมารรชแล้วตั้งความปรารถนาไม่สำเร็จจะต้องสละชีวิตเป็นพุทธบูชายางที่สุเมศบัณฑิตทาการบริจาคชีวิตและตั้งความปรารถนาอย่างนี้ว่า ขอพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าเศษเคือพระสาวกอรหันทั้งหลายจงเหยียบข้าพเจ้าไปอย่าได้ทรงเหยียบเปลือกตมเลยขอการกระทําอันยิ่งนี้สละชีวิตเป็นพุทธบูชาสังฆ บ, บูชานี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าเกื้อกูลก็คือเกื้อกูลแก่โพธิยานนั่นแหละอันนี้จะต้องมีการสละชีวิตเป็นพุทธบูชาเอาใจเอาจริงนะสละจริงสุดท้ายฉันทตา มีความปรารถนาเพื่อจะทำเรียกว่ากัดตุกกรร ม, มยตตาฉันทะเป็นผู้ที่มีใจรักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเป็นผูเ้เป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทำของบุคคล น, นั้นมีกำลังมากานะความปรารถนานี่มีกำลังจริงๆย่อมสำเร็จแก่บุคคล น, นั้นก็ความเป็นผู้ปรารถนานั้นเพื่อจะทำเพิ่งทราบว่าถ้าบางคนพึงกล่าวว่าใครเล่า ไม่อยู่ในนรกตลอดสี่อสงไขยแสนกลับแล้วย่อมปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ไซบุคคลใดได้ฟังคํานี้แล้วย่อมอุตสาหะเพื่อจะกล่าวว่าเราความปรารถนาเพื่อจะทําของบุคคลนั้นเชื่อว่ามีกําลังจะต้องความสามารถความตั้งใจเนี่ยนะความต้องการจะต้องแรงขนาดนี้บอกว่าถ้าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้านะท่านทนไม่ในนรกเสียสงไขได้ไหมบอกได้ทาไมจะไม่ได้ะนะแกเรียก ว, ว่าต้องมีใจขนาดนั้นจึงจะได้ ทนถูกอุปมานะเปรียบเหมือนแต่ก็เหมือนทนอยู่ในนรกจริงนะตายเกิดตายเกิดเนี่ยนะมันเจ็บปวดขนาดไหนตลอดเสียสงไข่แสนกลับเนี่ยนะถ้าเทียบกับผู้ที่อยู่อรหัตผลในเอื้อมกับบอกทนทุกข์ต่อไปอีกเสียสงไขแสนกลับเนี่ยนะกับอรหัตผลที่อยู่ใกล้มือเนี่ยนะถ้าคน ท, ทั่วไปก็ขอเลือกอรหัตผลมาก่อนไงอันหนึ่งความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทํากตตุกรรมยตาฉันทะนั้นเพิ่งทราบว่า ถ้าบางคนบอกว่าใครเล่าเหยียบข้ามสกลจั ก, กรวาลเรียกว่าห่วงแห่งจั ก, กรวาลอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวแล้วย่อมปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าได้อนะบอกถ้าท่านเดินลุยเหยียบฐานเพลิงทั้งห่วงจั ก, กรวาลทั้งหมดถ้าถ้ามีใจขนาดนี้ก็ถ้าทนได้ขนาดนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ หรืออีกในหนึ่งใครเล่าข้ามสกลจัก ร, ากรวาลก็คือห้วงจักรวาลอันเกลื่อนกลนไปด้วยหอกและเหลาเป็นต้นถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่ก็คือใครเดินฝ่าดงกับระเบิดตลอดห้องจักรวาลได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เพรานั้นหรือใครเล่าสามารถข้ามสกลจัก ร, ากรวาลคือห้วงจักรวาลอันอันเต็มไปด้วยน้ําปริ่มฝั่งแล้วย่อมปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าได้ หรืออีกในหนึ่งใครเล่าย่ำยีก้าวล่วงสกลจักรวาลซึ่งดาราดาตไปด้วยกอไัยชั่วนิรันดรหมายคืาว่าแวกกอไัเนี่ยนะแวกน้ำแวกรกแวกอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะตลอดเสียสงไขยแสนกับความปรารถนาของผู้นั้นก็สำเร็จได้ถ้ามีคนพูดอย่างนี้นะคนที่มีองค์ประกอบเจข้อและข้อที่8เขามีฉันทะอย่างนั้นเขามีอุตสาหะว่าเราเราทาได้ทาไมเราจะทาไม่ได้ เป็นผู้ความปรารถนาของผู้นั้นชื่อว่ามีกำลังอย่างซูมเมตบันดิตเนี่ยนะเขามีความปรารถนาแรงกล้าขนาดนั้นถามว่าไอคาอุปมาทั้งห้าคำเนี่ยนะหนึ่งฐานเพลิงสองหนึ่งเปรียบเหมือนหมกไหมยอยู่ในนรกสองฐานเพลิงสามหอกเหลาสี่น้ำเต็มฝั่งห้ากอไผ่กอไผ่ไเนี่ยนะ ถ้าเปรียบถึงนรกเนี่ย เ, ยเพราะว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ท่านไม่ตกนรกนะตกเกือบทุกกลับแล้วมั้งนะหมกไหมอยู่ในนรกไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วก็ไฟคือชาติชรา ม, มรณะเนี่ยอถ้าเปรียบเหมือนนรกมาท่านก็เคยตกนรกพราะะ่านต้องทนได้แั้วเปรียบในนรกก็คือนรกแห่งอะไรโลกเนี่ยมันก็เหมือนกับนรกที่ร้อนแรงเนี่ยนะที่เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ทนอยู่ด้วยในหลุมฐานเพลิง ลุมฐานเพลิงที่ปราศจากเปเลวคือต้องทนชาติชารามรณาโศกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตเสียสงขยัยจะเสดดูทุกชาติต้องเป็นไปชาติชารามรณาโศกปริเทวทุกโทมานัตและอุปายาตซึ่งเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับฐานเพลิงเนี่ยนะแล้วอีกในหนึ่งก็บอกเหมือนหอกเหมือนเหลาจะต้องคอยฟังคําทิ่มแทงทางวาจา น, นะถูกคําทิ่มแทงทางกายและวาจาจากผู้อื่นเนี่ยนะจะต้องได้รับคําพราะอย่าคิดว่าคนยอ้อยจะอนุโมทนาทั้งหมดไหมคนอนุโมทนาหมดไหมไม่หมดหรอกไม่มีใครอนุโมทนาอย่างนั้นหรอกมันจะต้องทนห อ, อกคือคําพูดเนี่ยนะทิ่มแทงจะต้องทนห อ, อก ค, อหอคือหอกคือหอกจริงๆเลยแหละห อ, อกจริงๆที่ทิ่มที่แทงเนี่ยนะจะต้องทนอยู่อย่างนั้นสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะ